มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญห า, า, า, ญหาตาติยวัคทวินังปินดาปาตานังมหพภะภาวะปัญหาที่สี่ถามว่าบินธบาตของนายจุนกับบินทบาตของนางสุชาดามีผลมากเท่ากัน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 คือบินทบาทนางสุชาดาถวายเมื่อจะได้ตรัสและบินทบาทนจุนถวายเมื่อวันเข้าสู่พระนิพพานนี้มีผลมากกว่าบินทบาทที่ผู้อื่นถวายและบินทบาททั้งสองนี้มีผลอานิสงนักหนานี่แหละครั้นจะเชื่อเอาพระพุทธดีกาที่ว่าพระองค์สวยอาหารบินทบาทนางสุชาดาและนายจุนสรรเสริญว่ามีานิสงเท่ากัน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 บินทบาทนางสุชาดากับบินทบาทนจุนมีผลมากนี้ก็ไม่สมกับคำที่ว่าสมเด็จพระพุทธองค์ทรงฉันบิณทบาทนจุนแล้วทรงอาพาธบิมจะสิ้นพระชนจะว่าบิณทบาทที่ในจุนถวายพระทศพลมีผลกระไรได้นี่แหละโยมพิเคราะห์ไปเห็นไม่สมกันอันหนึ่งเล่าบิณทบาทนจุนนี้ มีผลด้วยระคนปนเจือไปด้วยยาพิษนั่นหรืออันหนึ่งเล่าบินทบาทในจุลมีผลด้วยให้บังเกิดพระโรคประชวนหรืออันหนึ่งบินทบาทในจุลมีผลด้วยกระทําให้สมเด็จพระทศพลสิ้นพระชนหรือข้อหนึ่งซึ่งว่าบินทบาทในจุลมีผลด้วยกระทําให้สมเด็จพระทศพลสิ้นพระชนลับพระเนรแห่งอมริน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 อาหารบินทบาทที่นายจุนถวายสมเด็จพระบรมโลกกาณานั้นพรหุคุโนมีคุณมากมีผลมากมีอานิสงมากจะนับประมาณบอกไม่ได้เป็นที่เลื่อมใสนักหนาที่วดาตุถาการชื่นชมมหาราชะขอถวายพระพรสมเด็จพระบรมโลกกาณารับอาหารบินทบาทนจุนนั้น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 ก็มีอุปมาฉะนนั้นพระองค์ทรงพระชาราทุพพลภาพมากอยู่แล้วก็เหมือนกองไฟที่ลุกรุ่งเรืองอยู่ครั้นมีพระโรคบังเกิดขึ้นก็เหมือนกองไฟที่ลุกรุ่งยญ้าแห้งและมูลฝอยมาใส่ในกองไฟให้ลุกยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งมหาราชาขอถวายพระพรจงทรงฟังซึ่งอุปมาเปรียบดุจหนึ่งว่าบุคคลเป็นกุชิโรคาพาธ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 โดยอนุโลมและปฏิโลมถึงสามครั้งบ้างหรือพระหน้าเกษณจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบ่อพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในระหว่างนั้นสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารจะได้ทรงเข้าอนุบุพภวิหารสมาบัติโดยอนุโลมและปฏิโลมถึงสามครั้งหาไม่ได้ขอถวายพระพร